ก็ามีนะใ น, ใ น, ในะเรื่องวิธีกำจัดปริพภทในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะวิสุทธิมรรควิธีกำจัดปริโภทแต่เรียว่าปริโภทที่เป็นเหตุให้เจริญวิปัสนาไม่ได้อันหนึ่งก็คือโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยก็บอกว่าดูแลมันไปมันหายไหมไม่หายก็แคนไม่ได้เกิดมาเป็นธาตุของเธอเนี่ยเหมือนกัน จะอาศัเธอเนี่ยไว้เจริญกุศลธรรมมืนนต้องคุยกับตัวเองให้มันรู้เรื่องนะบอกไม่ก็จะเป็นก็ไม่หายหรอกดูท่าแล้วเออตายตายในไหนก็จะตายแล้วก็ขอเจริญกุศลธรรมเธอเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะสแสวงหาประโยชน์ที่สุดจากกายนี้เท่าที่จะได้ยังไงฉันดูแลเธอยังไงเธอก็ตายกายเนี่ยนะตายเ อ, อ้ยยังไงเธอก็บอดขอดูหนังสืออ่านพระไตรปิฎกก่อนใช่ไหมโอ้ยังไงเธอก็หนวกยังไงขอฟังธรรมก่อน นะร่างกายเอ่ยยังไงมันก็ตายขอเรียนธรรมะก่อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้อ่านพระธรรมไว้เยอะได้ฟังคําสอนไว้มากร่างกายเนี่ยได้ไว้เป็นที่เจริญคุณธรรมไว้เยอะเอ่ยจะตายก็ตายไปเนี่ยนะไม่น่ากลัวเท่าไรรอกเนี่ยนะไอคนที่น่ากลัวกลัวว่ากายจะแตกจะทําลายจะสูญจะสลายพวกนี้ไม่มีกุศลไม่มีบุญพอก็เลยเกาะเรือเนาะเรียกว่าเกาะเรือรัอ่วๆมีสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่ากายนี้เปรียบเหมือนเรือรัอ่วเหมือนกัน มันเรือเก่าๆผู้ๆแล้วก็รั่วเนี่ยนะรั่วทั้งก้าวทวาร น, นะเนี่ยนะรั่วมากเลยนะรั่ว <c oughs> ทีก็รั่วตวาบ้างตาสองตาหูสองหูจมูกสองจมูกทวานปากเอกนะเขรั่วซึมซับไปทั่วร่างกายไปหมด <c oughs> เมื่อมันเรือรั่วแบบนี้ทําไงดีอ่อก็ต้องรีบเร็วให้มันขึ้นบกเร็วที่สุดเท่าที่จะขึ้นได้ใช่ไหมถ้าไม่รีบเพียนพยายามกวนขวายอย่างนั้นแล้วไปไหนเนาะเนี่ยนะนั <c oughs> ้นกายนี้ก็เป็นอย่างงี้มันจะเป็นยังไงก็ช่งางเธอว่างั้นนะ วัตกายจะเป็นยังไงก็ต้องใส่ใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าให้จงได้เพื่อจะได้พ้นทุกข์ทำไม่มีกายพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดในโลกไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์อะไรถ้าพวกเราไม่มีกายถ้าไม่มีกายจะมีทุกข์ไหมอ๋อจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นวัดกินไม่อิ่มนอนไม่หลับก็ต้องทํามาหากินให้มันเหน็ดเหนื่อยให้ปวดเมื่อยหัวใจไปทำไมใช่ไหมแต่ก็เพราะว่ามีกายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนตามเพื่อให้พ้นจากอะไรจากกายเหล่านี้นี่แหละพระ อ, องค์ยังแสดงกาย เหตุให้เกิดกายความดับกายข้อปฏิบัติที่นำออกจากกายเนี่ยนะก็คือกายนี่เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และมักมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์เนี่ยนะนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะก็คือเพื่อจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้นี่แหละ ผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษซนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาคือวิปัสนาอุเบกขาอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่พร้อมได้เจริญยังไงก็แล้วคิดถึงคําสอนก็แล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าก็แล้วโกรธอยู่นั่นแเลยเนี่ยนะอ้ามันปวดเมื่อยเนี่ยนะมันปวดก็บางทีเนี่ยนะมันเป็ร น, นะคนอื่นเขาทําอะไรให้เราแบบเจ็บสักนิดหนึ่งแมมมันจำอะเข้เขานี่นแหละเข้านี่นแหละเข้านี่นแหละ แต่เขาไม่เดินชนเรานะเราไม่เจ็บอย่างนี้หรอกนะนะเป็นต้นเราก็จะค้าว่ามันมันผูกใจเจ็บคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อแล้วคิดถึงพระธรรมก่อนแล้วคิดถึงประสงค์ก่อแล้วเนี่ยมันโยนกระวัโทษของตนคนย่อมมองไม่เห็นใช่ไหมโทษคนอื่นแม้เล็กน้อยหายเห็นเท่าภูเขาโทษของเราเนี่ยมันจะใหญ่เท่าภูเขาเราก็เห็นเท่าเท่าใบามะขามเนี่ยนะปิดนิดหมดอะถ้าของเราเพราะฉะนั้นเวลาคนอื่นเขามาทําให้เราอะไรนิดหน่อยนห่อยมันโกรธผูกใจเจ็บอยู่นั่นแหละ นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่หายโกรธนึกถึงพระธรรมก็ไม่หายโกรธนึกถึงพระสงฆ์ก็ไม่หายโกรธเมื่อไม่หายโกรธวิปัสสนามเจริญไมหมล่ะมันก็ไม่เจริญเมื่อวิปัสสนามไม่เจริญอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นย่อมสลดใจสังเวทเนี่ยนะถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้นว่า ไม่เป็นลาบของเราเนอะเราลาบไม่มีแก่เราเราไม่ได้ดีแล้วเนาะการได้ดีไม่มีแก่เราที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้วิปัสสนาอุเบกขาอันอาศัยกุศลรธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีเนี่ยนะคุณธรรมทั้งหลายโพธิปัจิะธรรมทั้งหลายที่เจริญเนี่ยไม่ตั้งเลยเนี่ยนะทีแรกเนี่ยตั้งใจจะมาเจริญวิปัสสนาเจริญไปเจริญมาเหลือแต่โทสะเนี่ยนะใช่ไหม ตั้งอาทีแรกเจริญไปเจริญมาจะมาสรรเสริญพุทธคุณนักหนักนักเข้าพูดถึงแต่ความเลวร้ายของคนอื่นเอ๊ะมันอะไรกันแน่ใช่ไหมตอนแรกที่เราจะเจริญกุศลธรรมอยู่อย่างนี้เจริญไปเจริญมาเอ้าเขาบอกว่าโอ้เนี่ยมาศึกษาอะไรศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าวันวันหนึ่งพูดถึงกี่คำน้อย่างนะก็ก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเอาไปเอามามันผิดอะไรผิดประเด็นนะเมื่อมันผิดประเด็นเข้าเป็นสาวกใครแบบนี้ปังก็สังเวชใจแล้วโอ้เราเนี่ยมันน่าสงสารน่าสลดสังเวชแทนน้ออ่างเงี้ยนะ เปรียบเหมือนหญิงสะพยเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดใจถึงความสลดใจฉันใดดูก่อนท่านผู้เมียอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกเพียงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกเพียงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมถึงความสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉันนั้นเหมือนกันแล หากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นเป็นผู้ปลื้มใจพระเหตุนะ น, นุ้ยเนี่ยนะดูสิเนี่ยเจ็บป่วยนะกุศลยิ่งเจริญใจยิ่งผ่องใสมีความสุขมากกว่าเดิมดีนะเนี่ยถ้าได้ศึกษาคําสอนมันป่วยอย่างนี้เออดีเนี่ยได้ซ้อมใหญ่ดูแล้วดูทดลองดูว่าก่อนจะตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะ เป็นต้องก็เลยทดลองใช่ไหก็ลองข้อมันพลิกดูลองดูที่ว่าวิปัสสนามันเจริญแค่ไหนมีดมันหายไปก็รู้แล้วว่าสอบตกเป็นต้นเน่ยนะก็รู้ว่าจากมีดหายก็สอบตกไม่รู้ข้อแพลงแล้วสอบผ่านหรือเปล่าไม่ทราบ น, นะนะเรลองซ้อมๆดูหลายๆอย่างก็ลองเป็นวัดดูเอิ่มสอบผ่านไหมล่นะปวดหัวอสอบผ่านไหมล่นะปวดท้องอาสอบผ่านไหมล่นะก็ดูดูว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันสอบผ่านไหมล่นะก็สอบที่ไหนปริญญาใจเนี่ยนะว่าปัญญามันเกิดอยู่ที่ใจแค่ไหนเนี่ยนะถ้าสอบผ่านก็ ก็คือถ้ามองบอกว่าโอยกายเรานี้ยแม่มันให้ค่ามันมากให้ความสําคัญมากตายแน่งานนี้ไม่รอดเนี่ยนะแล้วก็ทุกข์ทุกข์ทๆกขแล้วก็มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปเรื่อยบอกเอาถ้ามีความเจ็บปวดเป็นอารมณ์ชาติหน้าควรจะเกิดที่ไหนดีสมมติปวดหัวคิดถึงแต่หัวกลุ้มรู้มู้ตายแน่งานนี้ทำไมปวดหนักปวดหนะปวดสาหาัสเหลือเกิน ถ้าเกิดตายตอนนั้นโอ้ยคิดถึงแต่ความเจ็บปวดพระพุทธเจ้าก็ลืมพระธรรมก็ลืมพระสงฆ์ก็ลืมสาทุชาตาิหน้าก็เทไหนดิเนี่ยนะก็มีแต่ความเจ็บปวดเป็นอนะารมณ์ก็ไปอยู่ภูมิที่เจ็บปวดเนี่ยนะภูมิไหนที่เจ็บปวดก็ไปอยู่ภูมินะั้นแหละเพราะอะไรเอาก็เพราะว่าจเจริญแต่ความเจ็บปวดพยายามคิดถึงอยู่แต่ความเจ็บปวดแล้วไม่จะไปพ้นความเจ็บปวดได้อย่างไรเนี่ยนะเอาถ้าก็เป็นอย่างานั้นเอาถ้าเรานึกถึงแต่ความเสียอกเสียใจคิดถึงแต่ความไม่สบายใจ ถ้าตายตอนนั้นจะไปอยู่ที่ไหนโนนเนี่ยนะนั่นแหละก็แล้วใครแช่งใครตกนรกคนานี้มีใครมาแช่งใครโรคเนี่ยนะตัวของตัวทั้งนั้นหละหรืออัตตาก็ไม่มีถ้าอย่างนี้ก็โปรดไม่ขึ้นแล้วละวรานั้นนะต่อไปบอกว่าเตโชทาตบางนะข้อ344หน้า521ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็เตโชธาตเป็นไนเตโชธาตที่เป็นภายในก็มีเตโชธาตที่เป็นภายนอกก็มีเตโชธาตที่เป็นภายในเป็นไนคืออุปาทินกะรูปอันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนถึงความเป็นของเร่าร้อนเช่นเตโชธาตที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยนะมันอุ่นมากจนเหงื่อท่วมเลยอย่างเงี้ยนะแน่น่าเรียกว่า ร่างกายที่ทําเตโชท่าที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเนหนึ่งสองเตโชท่าที่ทําให้ร่างกายสุดโทมเนี่ยนะโทมแค่ไหนคิดดูนะตอนแรกเลยเนี่ยนะก็ไปสังเกตดูก็หลักดูผิวหนังของคนที่อายุมากมขึ้นเนี่ยดูสิท่าไฟมันเผาซะเฉาหมดเลยเนี่ยนะผิวหนังเนี่ยมันมันมั น, ม น, ม น, มนเหมือนดอกบัวเฉาอ่ะนะมันค่อยเ่าไปเรื่อยๆใช่ไหม มันเผาซะจนเป็นอะไรนะเป็นตปุ่มตะปำคือเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นติ่งออกมาทั่วตัวไปหมดเนี่ยนะอันนั้นมันจุดเล็กๆเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดดําจุดอะไรเนี่ยนะอย่างเข้ามาเห็นคนที่มีอายุเกินร้อยปีขึ้นไปเนี่ยนะมันมันจะเป็นอะไรนะมันเป็นคือเรียกว่าตกกะเนี่ยนะก็จะเป็นตุ่มดำดำดำดำเต็มตัวไปหมดบางคนก็ออกติ่งมาตามตัวเนี่ยนะเพราะอะไรก็นั่นแหละคือไฟคือเตโชธาตมันเผาเนี่ยนะคืเรียว่าทําให้ร่างกาย สดโสนะใครจะคิดว่าอย่างอะไรดอกไม้สดๆเนี่ยนะตอนที่มันสวยๆเนี่ยถ้าดอกบัวเคยดอกบัวไปตากแดดไหมนะดอกบัวบูชาพระเจดีย์เห็นชัดไหมตอนเช้านี่แหมไปตั้งงามงามสดด้วยสวยด้วยพอกลางวันแดดร้อนเปรี้ยงตกตอนเย็นอ่ะนะไปดูไงรดน้ำเผื่อจะสดได้ได้ไหมทำได้ไหมเอาน้ําไปรดเป็นร้อยหม้อมันก็สดไม่ได้ชั้นใดากายที่ชารานี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเตโชธาติภั า, าสิฉรามหมดเลย พอมีลงคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วไปมีภริยาสาวอายุ 40, สี่สิบเศษเษไม่ได้ลูกลูกขึ้นมาเนี่ยพอมีลูกขึ้นมาใช่ไปไหนก็ไปกับคุณพ่อ อ, อ, อาบัก้าก็ไปคุณพ่อเช่นไปส่งส่งลูกรับลูกส่งลูกเรียนหนังสืออย่างไงนะคุกคนก็พยายามทักอ้าวหนูพาคุณปู่มาด้วยละลูกว่างั้นนะะโอ้ยพ่อดิเจ็บใจเจ็บช้ำน้ําใจตอนหลังไม่กล้าไม่มั่นใจในตัวเองเลยเนี่ยนะ เพราอะไรเพราหน้าตามันบอกหมดเลยนะมันมันเช้าหมดอ่ยนะไปไหนอ้าวพาปู่มาด้วยเลยอย่างเงี้ยไปไหนกับภรรยาก็บอกอ้าวพาพ่อมาด้วยเลยอย่างเงี้ยนะโอ๊ยมันจะคิดมันจะเจ็บช้ำน้ําใจขนาดนันนะไฟคือเตโชธาดเผาสแลกรานหมดเลยเนะนะก็หนักที่สุดก็ไปดึงหน้าดึงตาเนี่ยนะก็ขวิดความมั่นใจขึ้นมาหน่อยนะมันก็ดึงกับนั้งอะแหละมันไม่ได้ดึงอะไรอย่างอื่นด้วยนะไปยกเครื่องตับได้ไหมอาได้ไม่ได้หรอกนะนะ ยังไงก็ไม่เหมือนอะไรแท้ไนงะร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะปรับเปลี่ยนยังไงมันก็อย่างนั้นแลหละในที่สุดก็เตโชท่าเผาเสียบหมดเลยเนี่ยนะกล่าวว่าเตโชทาทาท่าไฟที่ทําให้ร่างกายสุดโทมแล้วก็เตโชท่าที่ทําให้ร่างกายเร้าร้อนเร่าร้อนตอนนั้นก็แปลว่าเจ็บป่วยนะเช่นเจ็บป่วยร่างกายนี้มันร้อนระอุไปหมดเลยเนี่ยนะกล่าวว่าไข้ขึ้นเนี่ยนะไข้ขึ้นเช็คดูแล้วเนี่ยนะก็กล่าวว่าเช็คที่ไหนที่หูในหูยังร้อนเลยใช่ไหม ใต้ลิ้นใต้ลิ้นก็ร้อนเนี่ยโอ้มันร้อนไปหมดทั่วกายนั่นแหละร่างกายท่าไฟที่ทําให้ร่างกายเร่าร้อนแล้วก็เตโชท่าเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเนี่ยช่วยทําให้ย่อยย่อยสลายในกาย น, นี้นี่นะเตโชท่าที่ทําให้อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดการย่อย หรืออุปาทินกะใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นภายในเฉพาะตนเป็นของร้อนให้ถึงความเร่าร้อนอย่างอื่นนี้เรียกว่าเตโชธาตในภายในเขาก็มีการวิจัยว่าธาตุไฟในหนึ่งคนเนี่ยนะถ้าหากว่าเอามาเป็นไฟแรงเทียนเนี่ยจะใช้ได้สว่างนานนะยองสมว่าเอาเบืงพลังงานจากธาตุไฟในร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะมาเป็นหลอดหลอดลอะไรหลอดกลมๆนะร้อยวัตต์เนี่ยจะใช้ได้ประมาณถึงนาทีไหม มันไม่น่าถึงไงไม่น่าถึงนาทีนะถ้าเอาร้อยวัตต์เนี่ยนะทำมาให้มันสว่างต่อๆกันนะแสดงว่าอไฟเราเบาบางเหลือเกินเนี่ยใช่ไหมมีธาตุไฟอยู่นิดเดียวนะแต่ก็บอกแหมมีไฟพละมีไฟแรงเหลือเกินไฟคือราคาอ่ะสินี่มันแรงนะไอ้ไฟคือไฟเปโโชธาจริงๆมันไม่ได้แรงเท่าไรรอกนีนะไฟที่มันแรงจริงๆร้อนแรงเหลือเกินไฟคือราคานี่มันร้อนระอุไฟคือโทรศัพทก็เผาสตาแดงกล่ำไปหมดไฟคือ อ่ะนะโทรสะก็เผาซะจนน้ำตาไหลเยิ้มเนี่ยนะเกลีมหมดเลยแล้วไฟคือโมหละล่ะโอ้โเผาซะจนอยู่ในวัดตาได้อย่างนานเนี่ยนะแล้วก็ไฟคือชาติชรามมรณะโสกปริเทวะทุกโทมานัทและอุปาญาตอันนี้เตโชธาตอะไรอันนั้นไม่ใช่เตโชธาตนั้นแต่ว่าเป็นอคิธาตธาต์แห่งความเร่าร้อนร้อน ร, อ น, ร, อ น, รอนแต่ว่าอันนี้เตโชธาตก็คือธาตุที่อยู่ภายในกายนี่ยนะหนึ่งทำให้ร่างกายอบอุ่นสอง แก่ชราสามป่วยไข้สี่ช่วยย่อยสลายเนี่ยนะหลายๆอย่างในร่างกายของเราเตโชธาต ท, ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งจับเตโชธาไฟภายในก็ตามธาตุไฟภายนอกก็ตามบัณฑิตพึงเห็นเตโชธาดนั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะเห็นธาตุไฟไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสนาเราไม่เป็นนั่นด้วย อนิจจานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาครั้นเห็นเตโชธาตธาตไฟในกายนั้นด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอัตตานุปัสสนาด้วยวิปัสสนาปัญญาอันชอบถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมนิพพานุปัสสนาเบื่อหน่ายในเตโชธาตยังจิตให้คลายกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนาในเตโชธาตเนี่ยนะ ก็แบบทีนี้มาดูไฟภายนอกบ้างเตโชธาต์อันเป็นภายนอกย่อมกำเริบจะมีได้ลแล้เตโชธาตภายนอกกำเริบเป็นงไงห้างถูกไฟไหม้เห็นไหมบ้านถูกไฟไหม้เมืองถูกไฟไหม้อะนะนีคมถูกไฟไหม้ชนบทถูกไฟไหม้ประเทศถูกไฟไหม้เขามีงานที่อินเดียเขามีงานแต่งงานเมีงานแต่งงานแล้วกํลาลังเข้าพิธีแต่งงานบ่าวสาวกํลาลังดีเนี่ยนะไฟฟ้าลัดวงจรตายกันเรียบห้าสิกว่าคนเนี่ยนะ ก็เราไฟไฟเผาตายท่านินะไม่รู้ว่างานแต่งหรืองานตายนะมันก็ใกล้ๆกันน่ะนะอันนี้ก็ตายไปห้าสิกว่าคนในงานนั้นน่ะนะแก๊สรบิดอย่างงี้ใช่ไหมขับรถไปดีๆเพราะว่าพูดถึงท่าไฟเนี่ยมันก็น่ากลัวนะชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่บนรถบนท้องถนนใช่ไหมมันคันหน้าก็น้ํามันทั้งนั้นคันหลังก้นน้ำมันคันซ้ายก็แก๊คคันขวาก็น้ามันเนี่ยนะถ้าทุกอันนั้นน่ะมันไหลอาบลุกแล้วก็ไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้น พับเพลิงก็เผาผลาญ ว, วอดไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะหลายๆอย่างพร้อมที่จะเป็นขม่าเป็นขี้เท่าไปหมดก็ลองเตโชธาตเหล่านั้นมันประทุขึ้นมาเพราะฉะนั้นเตโชธาภายนอกเนี่ยนะที่มันประทุขึ้นมาไฟมันวุบขึ้นมาลักขึ้นมาแล้วก็พุ่งเผาไปทั่วไปหมดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเผาบ้านเผาเมืองเผาเนิคมเผาชนบทเผาราชธานีเนี่ยนะเช่น ใครจะคิดว่าไฟเทียนดวงเลน้อยจะเผาสารากา ร, ปรเปียนเป็นต้นย น, นะ